มี ร, รมอยู่สิบประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนทรงบัญญัติให้ผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะเจริญให้มากและเวลาที่พบปะกันก็ควรที่จะสนทนาทำทั้งสิบประการนี้ ทำสิบประการนี้มีชื่อว่าสันเลกระทำจะเรียกว่าเป็นบัญญัติสิบประการของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนผิพพานก็ได้เพราะธรรมเหล่านี้แหละจะเป็นธรรมที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนผิพพานกันข้อที่หนึ่งก็คือ ความมักน้อยข้อที่สองความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดข้อที่สามการไม่คุกคลีกันข้อที่สี่การปริกวิเวกข้อที่ห้าการทำความเพียรข้อที่หก การเจริญศีลการรักษาศีลต่างๆข้อที่7คือสมาธิขั้นต่างๆข้อที่8ปัญญาข้อที่9วิมุติการหลุดพ้น และข้อที่สิบวิมุตติยานัศสนะการมีาญาณอย่างทราบถึงการหลุดพ้นของใจของตนนี่คือทำสิบประการด้วยกันที่ควรจะเป็นหัวข้อของการสนทนากันระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้เสริม การปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ารุง่งเรืองขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้ทำข้อที่หนึ่งคือความมักน้อยนี้ก็หมายความว่าให้ยินดีกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น สิ่งที่จำเป็นต่อนักปฏิบัติก็คือปัจจัยสีที่มีความจำเป็นจะต้องมีเพื่อดูแลรักษาร่างกายที่เป็นเครื่องมือของการปฏิบัติไม่ให้ชำรุดทรุดโทรมไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีเท่าที่ จำเป็นหรือเท่าที่ต้องร่างกายต้องการก็พอเช่นอาหารก็รับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเครื่องนุ่งห่มก็มีไว้สองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักและอีกชุดหนึ่งไว้สำรอง ในกรณีที่ฝนตกแล้วตากไม่แห้งก็มีชุดสำรองอย่างของพระนี่ก็มีผ้าไตจีวรผ้าสามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเท่านี้ก็พอเพียงสำหรับเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยก็มีพอหลบแดดหลบฝนได้หลบภัยต่างๆที่จะอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่มีรดสนิยมมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไร เ็ไปหมดที่ปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติก็คือเรือนร้างหรือโคนไม้เงาผาหรือในถ้ำนี่คือที่อยู่อาศัยของผู้มักน้อยอยารักษาโรคก็รักษาไปตามมีตามเกิด รักษาไปตามที่ได้มาหรือไม่มีก็รักษาด้วยน้ำมูดยาดองน้ำมูดก็พอที่จะประครับประคองสังขารร่างกายให้อยู่ไปได้เพราะร่างกายนี้ก็มีโรคอยู่สามชนิดด้วยกัน โรคชนิดหนึ่งก็คือเป็นแล้วก็จะหายเองได้ใช้เวลาพักผ่อนหลับนอนและระยะหนึ่งร่างกายก็ฟื้นฟูขึ้นมาเองได้โรคชนิดที่สองก็เป็นโรคที่ต้องรักษาต้องมียาถึงจะหายและโรคชนิดที่สาม ก็คือโรคที่เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีก็มีอยู่เพียงสามโรคนี้เท่านั้นแล้วในที่สุดร่างกายนี้มันก็จะต้องหมดสภาพไปมันก็จะต้องตายไปผู้ปฏิบัติจึงไม่ต้องไม่ควรที่จะมาวุ่นวายมากมายเกินไปกับเรื่องของร่างกาย เอาพอให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพราะการมีน้อยนี้มันทำให้มีความทุกน้อยการมีมากทำให้มีความทุกมากเพราะสิ่งต่างๆที่มีนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรทุกข์เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลามีอะไรมากๆก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยเปลี่ยนเวลามันเสียก็ต้องวุ่นวายกับการรักษากับการหาหาสิ่งใหม่มาทดแทนเวลาที่สิ่งเก่าเสียไปเวลาที่จะได้มาใช้กับการปฏิบัติ ก็จะถูกแย่งไปกับการที่จะต้องไปดูแลรักษาหรือไปหาสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าเวลาที่สิ่งเก่านั้นเสียหรือชำรุดใช้ไม่ได้อาจพยายามอยู่แบบไม่ต้องใช้อะไรมากรือจะใช้อะไรก็ใช้มันได้หลายอย่างด้วยกัน เช่นผ้านี่อาจจะใช้เช็ดเท้าเช็ดพื้นเช็ดอะไรไม่จำเป็นจะต้องมีผ้าสามสี่ชนิดด้วยกันไว้สำหรับเช็ดอย่างนั้นอย่างหนึ่งเช็ดอย่างนี้อย่างหนึ่งพยายามใช้น้อยๆในสิ่งต่างๆแล้วเวลาจะได้ไม่ต้องมาหมดไปกับการดูแลรักษานี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีความมากน้อย ไม่ต้องพลุงพลังไม่ต้องขนอะไรไปไหนมาไหนมากมายเวลาจะเปลี่ยนสถานที่เวลาจะไปทำอะไรที่จำเป็นจะต้องโยกย้ายก็จะไปได้อย่างง่ายดายท่านบอกว่าให้อยู่เหมือนกับนกนกนี่เขาเวลาเบนเขาเบนไปตัวเปล่า เขาไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวไปเขาเป็นไปแล้วเขาก็ไปหากินข้างหน้านี่คือเรื่องของความมากน้อยข้อที่สองคือความสันโดษสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดถ้าไม่ได้ตามความที่ต้องการขาดแคลนบ้าง ต้องอดอยากขาดแคลนบ้างก็ให้ยินดีอย่าไปกังวลอย่าไปวุ่นวายกับการที่จะต้องหามาให้ได้ตามความต้องการของร่างกายเช่นอาหารบางทีก็อาจจะขาดแคลนบ้างอดมือ้อกินมือ้อไม่ได้กินทุกวันสําหรับนักปฏิบัติแล้วไม่ควรที่จะกังวล เพราะการรับประทานอาหารนี้รับประทานมากกับเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณต่อการบําเพ็ญผู้ที่บําเพ็ญส่วนใหญ่นี้จะอดอาหารกันเป็นประจำเพราะการอดอาหารจะเป็นเครื่องเสริมความเพียนนั่นเองเวลาที่เรารับประทานอาหารตามปกติร่างกายสุขสบาย ก็จะเกิดความเกลียดค้านจะไม่อยากปฏิบัติไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากนั่งสมาธิอยากจะนอนมากกว่าแต่เวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายจะหิวแล้วก็จะทำให้จิตใจทุกข์เพราะจิตก็จะโปร่งแต่งคิดถึงแต่เรื่องของอาหารก็จะทำให้ เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจก็ต้องภาวนาต้องเจริญสติควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดไปถึงเรื่องของอาหารหรือถ้าคิดก็ต้องคิดในทางตรงกันข้ามคือไม่คิดถึงอาหารที่อยู่ในจานที่เขาเพิ่งทำเสร็จมาใหม่ๆ ออกมาจากครัวสดสดร้อนร้อนให้คิดถึงอาหารเก่าที่ออกมาจากทวารหนักสดสดร้อนร้อนเหมือนกันว่ามันก็เป็นอาหารเหมือนกันถ้าคิดถึงอาหารที่อาหารเก่าอย่าไปคิดถึงอาหารใหม่มันก็จะทำให้ความอยากอาหารนั้นมันหายไปได้แล้วก็จะไม่มีปัญหากับเรื่อง ของการรับประทานอาหารเวลายังไม่ถึงเวลารับประทานหรือเวลาที่ไม่มีอาหารจะรับประทานก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจเพราะใจจะไม่มีความอยากรับประทานอาหารเพราะทุกครั้งที่อยากรับประทานอาหารก็ให้พิจารณาอาหารอรปฏิกูลสาญญาให้นึกถึงอาหารเก่าที่ออกมาจากทวารหนักเป็นต้น ให้พิจารณาอย่างนี้หรือทำจิตให้สงบด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธพอนั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบความคิดปรุงแต่งถึงอาหารต่างๆนั่นก็จะหายไปยุติไปความหิวความทรมานใจที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งถึงเรื่องอาหารก็จะหายไป ที่มาทดแทนก็คือความอิ่มใจสุขใจความสบายใจนี่คือการมัคือการอดอาหารในยามที่อดอยากขาดแคลนไม่ได้รับประทานอาหารตามใจอยากไม่ได้รับประทานอาหารชนิดที่ชอบจะรับประทานก็เลยรับประทานน้อยหรือไม่รับประทานเลย คือไม่บน่นไม่โวยวายยินดีตามมีตามเกิดไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดียารักษาโรคก็ดีได้มาอย่างไรก็พอใจกับสิ่งที่ได้มาไม่บ่นว่าน้อยไปไม่บ่นว่าไม่ถูกใจ ใครให้อะไรมาหรือได้หาอะไรมาได้ก็ให้พอใจกับสิ่งที่ได้มาใจจะได้ไม่วุ่นวายไม่ต้องดิ้นรนไปเสียเวลากับการหาปัจจัยสี่ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นเฉพาะสำหรับร่างกายแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใจ นี่คือเรื่องของความสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดข้อที่สามก็คือไม่ให้คุกคีกันไม่ให้สังคมกันให้หัดอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันก็ควรจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเช่นพระภิกษุที่อยู่ในวัดป่านี้ ท่านอยู่ร่วมกันในวัดแต่ท่านจะไม่มานั่งสนทนาคุยกันมาทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำน่าจะมาร่วมทำกิจกรรมก็ทำกิจกรรมที่จาเป็นเช่นการบิณฑบาตการขบฉันการทำความสะอาดสารากวาดลานวัดเวลาทำกิจเหล่านี้ก็ไม่ ส่งเสียงคุยกันต่างคนต่างเจริญสติของตนไปหรือเจริญปัญญาสุดแท้แต่ธรรมของแต่ละของแต่ละคนว่าอยู่ในธรรมระดับไหนถ้าอยู่ในระดับสติก็เจริญสติไปใจจดจ่ออยู่กับงานที่กำลังทาอยู่หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าอยู่ในขั้นปัญญาก็พิ จ, จารณาธรรม ต่างๆพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาตายลักอนิจจงทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะสุด แ, แต่จะเหมาะกับสภาพเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นว่าจะพิจารณาอะไรได้ก็พิจารณาไปไม่คุยกัน ไม่สนใจว่าคนอื่นจะทำอะไรคนอื่นจะทำผิดจะทำถูกก็เรื่องของเขาถ้าเกี่ยวข้องกันก็อาจจะบอกกันเตือนกันได้แต่จะไม่คุยสัพเพเหระนินทากาเลเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ข้างใน ยาส่งออกข้างนอกในสมัยพุทธกาลนี้ชาวบ้านไม่เข้าใจเห็นพระเวลาทากิจกรรมร่วมกันนี้ไม่พูดไม่จาไม่คุยกันคิดว่าพระเกลียดที่หน้ากันหรือ ย, อยังไงไม่ชอบหน้ากันอย่างไรโกรธกันเหรือจึงไม่คุยกันเลยนั่นคือเรื่องของทางโลกทางโลกนี้เวลา มาพบปะกันมาทำกิจกรรมร่วมกันนี้จะต้องคุยกันต้องเฮฮากันให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งเป็นความสุขชั่วประเดียวระดาวแต่ไม่ได้อะไรเป็นประโยชน์แก่จิตใจไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาแต่สำหรับนักปฏิบัตินี้เวลาท่านมาทำกิจกรรมร่วมกันท่านจะ ทำกิจไปตามเท่าที่จําเป็นแล้วก็จเจริญกิจภายในใจที่เป็นกิจที่สําคัญกว่าไม่ยอมเสียเวลาถึงแม้จะต้องทํากิจภายนอกแต่ใจก็ยังสามารถทํากิจภายในควบคู่ไปได้ด้วยเช่นการจเจริญสติอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ไม่ใช่ทํางานไปแล้วก็คุยกันไป ทำงานไปแล้วก็มีสติอยู่กับงานที่ทําหรือพิจารณาอนิจจังถึงงานที่ทําอยู่ก็ได้ว่าสิ่งที่ทําทําแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเสร็จแล้วมันก็จบแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาทําใหม่คิดว่ามันไม่มีอะไรที่ยงแท้แน่นอนทำดีแค่ไหนเสร็จแล้วมันก็จบไปผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทาใหม่ ก็ทำมันเท่าที่ควรจะทำได้มากได้น้อยจะดีมากดีน้อยก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมากจนเกินไปทำให้ดีที่สุดก็พอคืออย่าคุ้คลีกันอย่าสังคมกันผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องการสังคมกับใครต้องการที่จะดึงใจเข้าข้างใน ไม่ต้องการส่งใจออกไปข้างนอกเพราะใจเข้าข้างในนี้เป็นมรรคใจออกข้างนอกเป็นสมุทยัยสมุทัยก็แปลว่าต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองเพราะถ้าออกข้างนอกก็ต้องออกไปเพราะอำนาจของตัณหาความอยากออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่เป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันให้ความสุขเดียวยวแล้วมันก็หายไปหมดไปพอเวลามันหายไปหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ไม่ควรที่จะส่งใจออกข้างนอกควรพยายามดึงใจให้อยู่ข้างในให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่คือข้อที่สามคือการไม่คุกคลีกัน พอเสร็จภารกิจแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักของตนไปบําเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อวิมุติและ ว, วิมุติญาณทัศนะที่จะตามมาต่อไปข้อที่สก็คือการปปรกวิเวกลังครั้งอยู่ร่วมกันมันก็มีภารกิจมาก ที่จะต้องคอยดูแลคอยช่วยเหลือกันก็จะต้องเสียเวลากับภารกิจของผู้อื่นภารกิจของตนเองก็จะไม่ได้ทำอย่างเต็มที่บางครั้งก็จาเป็นจะต้องไปเปรีกวิเวกอย่างพระธุดงที่ท่านต้องออกไปทุดงในป่าอยู่ตามลาพังเพียงองค์เดียวเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการที่จะต้องมาทาภารกิจ ของส่วนรวมอยู่คนเดียวภารกิจมันน้อยที่พักที่อาศัยมันก็นิดเดียวกวาดแป๊บเดียวถูแป๊บเดียวก็เสร็จเบนทบาทกลับมาฉันไม่แปบเดียวก็เสร็จเวลาอยู่วัดเวลาเบนทบาทก็ต้องเป็นกันทั้งวัดผู้ใส่บาตรก็มาใส่กันมากมายกว่าจะเสร็จกิจเบนทบาทนี้ก็บางทีก็หมดไปเกือบสองชั่วโมง ทั้งเดินทางไปเดินทางกลับในทั้งในขณะที่บินทบาทกลับมาจากบินทบาทแล้วก็ยังมีญาติโยมมาถวายอาหารคาวหวานในวัดอีกกว่าจะเสร็จก็หมดไปอีกชั่วโมงแล้วก่อนจะฉันก็ต้องแสดงทำให้ญาติโยมฟังอีกครึ่งชั่วโมงแล้วกว่าจะได้ฉันญาติโยมก็เข้ามาลามาสนทนามาถามปัญหา กี่้าถะอะไรอีกกว่าจะได้ฉันก็คิดดูตั้งแต่เริ่มบินตบากก็ประมาณสักหกโมงครึ่งกว่าจะได้ฉันก็บางทีเก้าโมงครึ่งสิบโมงไปแล้วฉันไปก็มีคนเข้ามามีมาสายมาไม่ทันมีนูน่นมีนี่มาถวายอีกมีปัญหามีอะไรถามอีก ก็อาจจะเสร็จกิจนี้บางทีเกือบสิบเอดโมงถึงจะกลับกุฏิได้นี่คือเวลาที่อยู่ในวัดมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ที่ต้องการเวลาบำเพ็ญท่านก็จะต้องปลีกวิเวกหนีไปอยู่คนเดียวหนีไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีภารกิจต่างๆมากมายเวลาไปทุดงอยู่คนเดียวนี้ไปบิญทบาดไปกลับก็ไม่ถึงชั่วโมง กลับมาก็ฉันได้เลยเวลาประมาณแปดโมงนี่ก็เสร็จแล้วหรือก่อนแปดโมงเสียได้ซ้ำไปเจ็ดโมงกว่าแปดโมงก็ล้างบาทเช็ดบาทเรียบร้อยแล้วเข้าเดินเข้าทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิไปได้อย่างสบายนี่คือประโยชน์ของการปรีกวิเวกเพื่อจะได้มีเวลาบำเพ็ญอย่างเต็มที่ และมีสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเวลาอยู่ในวัดก็อาจจะมีของล่อใจของอะไรหลากหลายที่ศรัทธาญาติโยมนำเอามาถวายนำมาให้หนังสือพิมพ์อะไรต่างๆก็มีให้ดูถ้าไม่ควบคุมจิตใจหรือจิตใจอ่อน พอเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่กิเลสตัญหาชอบก็จะถูกกิเลสตัญหาดึงให้ไปเสียเวลากับการอ่านข่าวสารอ่านดูอะไรต่างๆแทนที่จะได้ภาวนาก็จะไม่ได้ภาวนานนต้องไปปีกวิเวกไปให้อยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผธภะเพราะ รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้ไม่เป็นประโยชน์กับการทําใจให้สงบการทําใจให้บรรลุธรรมอสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่แหละจะเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการบําเพ็ญต่อการบรรลุธรรมอจึงควรที่จะปลึกวิเวกกันเวลาเจอกันสนทนากันก็ควรจะเล่าถึงสถานที่ เปกวิเวกว่าเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรสําหรับผู้ที่ไม่เคยไปเปกวิเวกจะได้เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของการเปกวิเวกจะได้ไม่หลงติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะให้เสพให้สัมผัส ข้อต่อมาก็คือการบำเพ็ญเพียร น, นี่ก็คือสิ่งที่ควรจะคุยกันหรือสิ่งที่ควรจะกระทํากันการบำเพ็ญเพียร น, นี่แหละที่จะทําให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาและทำที่ควรจะบำเพ็ญที่สําคัญที่สุดในเบื้องต้นก็คือ การเจริญสตินี่เองต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งเพราะใจ ท, ที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาโมหะความหลงนี้จะปรุงแต่งไปในทางสมุ ท, ทยัยคือไปทางกิเลสตัณหาไปทางความอยากต่างๆ คิดถึงรูปก็อยากจะได้รูปคิดถึงเสียงก็อยากจะได้เสียงคิดถึงอะไรก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากแล้วก็เกิดความวุ่นใจขึ้นมาวุ่นวายใจขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ แต่ถ้ามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาใจก็จะไม่สามารถปรุงแต่งไปในทางกิเลสตัณหาจึงไม่สามารถทำให้ใจพุ่งขึ้นมาได้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วถ้านั่งอยู่เฉยๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบของสมาธิได้ นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรให้บำเพ็ญในทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวเวลาที่ไม่ได้เดินจงกลมไม่ได้นั่งสมาธิเวลาทำภารกิจต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่หรือให้มีการบริกรรมพุทโธกากับควบคู่ไปกับการกระทำ เพื่อที่จะได้ไม่ปล่อยให้ใจคิดปุุงแต่งถึงเรื่องต่างๆนาน า, นาหรือถ้าจะคิดปรุงแต่งก็ให้คิดไปในทางมรรคทางปัญญาให้คิดไปในทางไตลักษณิจังทุกขังอนัตตาคิดไปในทางอสุภะคิดไปในทางอาหารเลยปฏิปฤฤฤูลสัญญาคิดไปในทางอาการสาสบสองของร่างกายคิดไปในทาง ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ถ้าจะคิดให้คิดไปในทางปัญญาถ้าคิดไปในทางกิเลกก็ควรจะใช้สติหยุดอย่าปล่อยให้คิดไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะเกิดโทษเพราะจะทำให้ใจพุ่งวุ่นวายแล้วเวลาจะนั่งสมาธิจะนั่งไม่ได้ใจจะไม่สงบนี่คือเรื่องของการ ดำเละถึงความเพียรต่างๆข้อต่อมาก็ให้ดำเละถึงเรื่องการรักษาศีลตอนนี้รักษาศีลข้อใดได้บ้างยังขาดข้อใดอยู่ข้อที่รักษาได้แล้วก็ควรจะรักษาต่อไปอย่าให้ขาดข้อที่ยังรักษาไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาให้ได้รักษาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ รักษาศีลห้าได้แล้วก็พยายามรักษาศีลแปดต่อไปรักษาศีลแปดได้ต่อไปก็จะรักษาศีลสองรอยิบเจ็ดได้ก็จะสามารถออกบวชได้ถ้าออกบวชได้ก็จะมีโอกาสมีเวลาที่จะได้ปฏิบัติมากกว่าเวลาที่เป็นคารวะคู่ครองเรือนเพราะผู้ครองเรือนนี้จะมี เรื่องราวมากมายที่มาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องการทามาหากินเรื่องการดูแลเวงดูบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยถึงก็จะต้องเสียเวลาเหล่านี้ไปกับเรื่องราวเหล่านี้เวลาที่จะบำเพ็ญก็จะมีน้อยผู้ที่เป็นคราวานนี่ถ้ายัางต้องมีภารกิจต่างๆเหล่านี้จะบำเพ็ญได้ก็เฉพาะวันหยุดเช่นวันพระ ก็อาจจะไปอยู่วัดสักคืนหนึ่งก็เป็นแบบมือสมัครเล่นเหมือนนักกีฬามือสมัครเล่นเวลาวันทำงานก็ต้องไปทำงานวันเสาร์ก็ไปซ้อมกีฬาเสาร์อาทิตย์ก็ไปซ้อมกีฬาถ้ามีการเวลาซ้อมเพียงแค่าวันอาทิตย์ความสามารถในการเล่นกีฬาก็จะสู้คนที่เขาซ้อมอยู่ทุกวันไม่ได้ทาอยู่ทุกวันไม่ได้ อันในนักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นนักปฏิบัติมือสมัครเล่นโอกาสที่จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันก็ยากนั่งสมาธินานสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำใจให้รวมเป็นอัปปนาได้แต่ถ้าได้ออกปฏิบัติเต็มรูปแบบเป็นแบบมืออาชีพ บำเพ็ญทุกวันจเจริญสติทุกวันไม่มีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยจเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับรับรองได้ว่าเวลานั่งสมาธิใจจะต้องรวมเป็นอัปปนาได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องของศีลเราเพิ่มศีลขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ตัด ความยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆให้มันน้อยลงไปนั่นเองรักษาศีลได้มากเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องไปคุก ค, คีไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆมากเช่นถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็ตัดเรื่องของการออกสังคมได้ไม่ต้องไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานอะไรก็บอกว่าเราถือศีลแปดไม่กินอาหารเย็นมีงานเลี้ยงงานค่าตอนค่าก็ไปไม่ได้ มีงานบันเทิงให้ไปดูก็ไปไม่ได้ก็จะได้มีเวลามาบำเพ็ญแทนที่จะต้องไปเสียเวลากับการออกไปกับงานบันเทิงต่างๆงานสังคมต่างๆที่เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวแล้วก็ไม่มีผลต่อการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเลย ต้องพยายามเพิ่มการรักษาศีลให้มีมากขึ้นไปตามลําดับนะรักษาศีลห้าได้แล้วก็พยายามรักษาศีลแปดเริ่มต้นก็อาจจะเอาอาทิตย์ละวันหนึ่งก่อน mm hmm. เช่นในวันพระ mm hmm. ก็มาถือศีลแปดกันพอรักษาได้อาทิตย์ละวันก็เพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองสามวั น, ว, นวันก่อนวันพระวันหลังวันพระ รักษาสามวันได้ก็เพิ่มเป็นห้าวันห้าวันได้ก็เพิ่มเป็นเจ็ดวันต่อไปก็รักษาได้ทุกวันถ้ารักษาสิ้นแปดได้ก็พร้อมที่จะบวชได้พร้อมที่จะบวชเป็นนักบวชมืออาชีพได้นักปฏิบัติทำมืออาชีพได้นี่เป็นการพัฒนาการของการปฏิบัติที่เราต้องก้าวจากจุดที่เรายืนอยู่เราไม่สามารถกระโดดข้าม ขั้นต่างๆได้เพราะมันยากกว่าการที่จะเดินทีละขั้นก้าวขึ้นไปทีละขั้นมันง่ายกว่าและโอกาสที่จะพลาดตกลงมาขาหักก็น้อยกว่าหรือไม่มีเลยถา้าก้าวกระโดดนี้ก็อาจจะพลาดทําให้ขาหักทําให้เสียเวลาต่อการที่จะก้าวต่อการปฏิบัติก็ได้ ต้องมีความพยายามตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องปฏิบัติให้มากขึ้นจะต้องรักษาศีลให้มากขึ้นถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้มันก็จะไม่ก้าวหน้ามันก็จะติดอยู่ที่เดิมเคยรักษาได้กี่ข้อก็จะรักษาเพียงเท่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็จะไม่เจริญก้าวหน้ามรรคผลนิพพานที่ต้องการมันก็จะไม่เกิดขึ้นมา เพราะเหตุที่จะทำให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นมานี้ยังมีครบไม่ครบองค์นั่นเองมรรคนี้มีแปดองค์ที่จะต้องให้มันมีครบสมบูรณ์ถึงจะทำให้เกิดผลขึ้นมาคือศีลสมาธิปัญญานี้ต้องมีครบถึงจะปรากฏเป็นมรรคขึ้นมาได้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้มรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ดังนั้นเราอยู่ขั้นศีลเราก็ต้องพยายาม ปฏิบัติเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วขั้นต่อมาข้อต่อมาก็เรื่องของสมาธิพอเรามีศีลแล้วการปฏิบัติสมาธินี้จะง่ายขึ้นไปผลจะได้มากเพิ่มขึ้นไปถ้าปฏิบัติสมาธิด้วยการรักษาศีลห้ามันจะได้ผลน้อยกว่าการปฏิบัติสมาธิด้วยการรักษาศีลแปด เพราะศีลแปดนี้จะทำให้เรามีเวลามาเจริญสติได้มากกว่าศีลห้านั่นเองถ้ามีศีลห้าเรายังไปไหนมาไหนได้อยู่ยังไปงานบันเทิงไปงานแต่งงานยังรับประทานอาหารเย็นได้อยู่ยังร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ได้อยู่เวลาที่จะเอามาเจริญสติก็จะไม่มีเวลาที่จะเอามานั่งสมาธิก็ไม่มี ถ้ารักษาศีลแปลดได้เวลาที่จะมาบำเพ็ญก็มมาขึ้นใจที่ถูกส่งออกก็ไม่ถูกก็จะถูกดึงกลับเข้าข้างในด้วยการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเมื่อใจอยู่ข้างในเวลานั่งเฉยๆใจก็จะรวมเป็นหนึ่งได้เป็นเอกัคคตารมเป็นอุเบกขาสัคตะวะโรเป็นความสุขอย่างยิ่งพอได้รับความสุขอย่าง ที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วต่อไปก็จะไม่อยากจะหาความสุขแบบอื่นจะเห็นว่าความสุขแบบอื่นนี้สู้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิไม่ได้ก็จะยินดีต่อการปีกวิเวก ย, ยินดีต่อการบาเพ็ญเพียนยินดีต่อการรักษาศีลยินดีต่อการเจริญสติยินดีต่อการนั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิใจสงบใจก็จะมีฐานมีกำลังที่จะออกปฏิบัติทางด้านปัญญาได้ออกพิจารณาทางปัญญาได้ถ้าใจไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งใจจะอ่อนแอโยเยจะทะเลาไหลจะไม่ทำอะไรที่เป็นเป็นเหตุเป็นผลจะถูกกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความอยาก ดึงไปทางนั้นดึงไปทางของกิเลสตัณหาจะพิจารณาเรื่องที่จำเป็นจะต้องพิจาราก็พิจารณาไม่ได้เพราะกิกเลสตัณหาไม่ชอบให้พิจารณาเช่นพิจารณาความแก่พิจารณาความเจ็บพิจารณาความตายพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายพิจารณาอาหารในปฏิทูรสัญญาความ ไม่น่าดูของอาหารพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่อาการสามสิบสองนี้เท่านั้นจะไม่สามารถพิจารณาได้ถ้าใจไม่สงบเพราะกิเลสปัญหา ย, ยังมีกําลังอยู่นั่นเองแต่เวลาที่ใจสงบนี้ กิเลสตัณหาจะถูกตัดกำลังลงไปเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆนี้กิเลสตัณหายังไม่มีแรงพอที่จะมาต่อต้านการเจริญปัญญาก็จะสามารถเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญานี้ก็เพื่อที่จะให้มันฝังอยู่ในใจเอาความรู้ความจริงเข้ามาฝังอยู่ในใจซึ่งปกติจะไม่มีอยู่ในใจความจริงต่างๆ มีแต่ความปลอมต่างๆฝังอยู่ในใจเช่นความสวยความงามความจีรังถาวรความสุขของสิ่งต่างๆความที่เป็นสิ่งต่างๆเป็นสมบัติของเราเป็นตัวเราเป็นของเรานี้มันเป็นของปลอมทั้งนั้นแต่มันสังอยู่ในใจเราเวลาเรามีอะไรเราจะคิดเสมอว่ามันเป็นของเรามันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดมันจากเราไปไม่ได้ แต่พอเจอความจริงข้าว่ามันเป็นมันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ใช่ของถาวรมันจากเราได้น่าจะจากเราอย่างแน่นอนเวลาเกิดการพัดภาคจากกันขึ้นมาก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องโหมร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะใจมีแต่ของปลอมอยู่ในใจไม่มีของจริงนั่นเองจึงต้องสร้างของจริงข้าไว้ในใจ วิธีที่จะเอาของจริงเข้าในใจก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆแต่จะพิจารณาได้ก็ช่วงระยะที่ออกจากสมาธิใหม่ๆเพราะหลังจากได้พิจารณาไปไม่นานติเลตัณหาก็จะเริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วก็จะมาดึงใจให้ไปทะเลทลายไปคิดถึงเรื่องตรงกันข้ามกันแทนจะคิดถึงเรื่องของอสุภะก็จะไปคิดถึงเรื่อง สวยสวยงา ม, งามไปคิดถึงความตายก็จะดึงไปคิดถึงการอยู่มันก็เลยไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่เพื่อตัดกำลังของกิเลสตันหาใหม่พอออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณาใหม่ทํากันอย่างนี้สลับกันไประหว่างสมาธิและปัญญา จนกว่าจะมีความจริงฝังอยู่ในใจอย่างแน่นหนามั่นคงที่สามารถนำเอามาใช้ต่อต้านความโง่ความหลงได้สามารถหยุดตัญหาความอยากต่างๆได้ดับความทุกข์ต่างๆได้นี่ก็คือเรื่องของสมาธิและเรื่องของปัญญาพอหยุดความอยากต่างๆได้มันก็ได้ วิมุตตินั่นเองก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ลาดับต่างๆขั้นต่างๆความทุกข์ความทุกข์ ท, ที่ที่ผู้ปฏิบัติจะหลุดพ้นได้ก็มีอยู่สขั้นด้วยกันคือขั้นพระสวสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันผู้ที่ปฏิบัติไปก็จะหลุดไปเป็นขั้นๆหลดขั้นสวสดาบัน หลขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอาราหันต์แล้วก็จะปรากฏญานทัศนะขึ้นมาวิมุติญาณทัศนะขึ้นมาปรากฏความรู้ขึ้นมาในใจว่าได้หลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ระดับนี้ระดับนี้เช่นพระโสดาบันก็จะเกิดญาณทัศนะว่าได้หลุดพ้นจาก อ, าอะไร ที่เรียกว่าในภาษาภาษาสังโยนสามข้อแรกเนี่ยมีอะไรทิฏฐิอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีสีลพัตตปรลมาส์วิจิกิจฉาผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าได้หลุดพ้นจากขั้นนี้แล้วขั้นต่อมาก็จะรู้ว่าได้ทำให้ปฏิคะกับการมรรคะเบาบางลงไปแล้ว ขั้นต่อมาก็จะรู้ว่าได้ละได้ละปฏิฆะได้ละกามราคะแล้วขั้นพระอาหารหันต์ก็รู้ว่าได้ละรูปราคะแล้วอรูปราคะแล้วได้ละอุทธัจจะแล้วได้ละมานะแล้วได้ละอวิชชาแล้วนี่คือญาณนะวิมุตติญาณทัศนะนะคือมีความแน่วแ น, วแน่มั่นใจ ต่อการหลุดพ้นของตนเองไม่สงสัยไม่ต้องไปถามใครให้เสียเวลาแม้แต่พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ไม่ต้องถามนี่คือเรียกของผู้ที่ได้บรรลุถึงวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นอย่างนั้นถ้ายังนังงในสงสัยอยู่ยังไม่มั่นใจอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้มีวิวมุตติญาณทัศนะนั่นเอง นี่คือเรื่องของทำสิบประการด้วยกันที่เรียกว่าบัญญัติสิประการของผู้ปฏิบัติที่ควรที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะเจริญควรที่จะสร้างควรที่จะบาเพ็ญให้ปรากฏขึ้นมาและเวลาที่พบปะกันสนทนากันก็ควรที่จะสนทนานทำทั้งสิประการนี้เพราะจะเอื้อต่อการปฏิบัติ ช่วยกันส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่รู้ได้รู้ผู้ที่ได้รู้แล้วก็จะได้เกิดความเข้าใจที่กว้างขวางและเล็กซึ้งมากขึ้นไปเพื่อที่จะได้นำเอาไปบำเพ็ญเอาไปปฏิบัติจนได้รับผลที่ปาถนาคือการบรรลุมรรคผลนิพพานจึงขอให้พวกเราให้ความสำคัญต่อการศึกษา สันเลขาทำทั้งสิประการนี้ให้รู้ว่ามีอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็ขอให้เอามาทบทวนดูกับการดำรงกับการปฏิบัติของตนว่าอยู่ในแนวของสันเลขาสิบประการนี้หรือไม่ถ้าอยู่นอกลูกนอกทางก็ควรที่จะดึงให้กลับเข้ามาอยู่ในรูทางของสันเลขาสิประการถ้าอยากจะไปสู่ มรรคผลนิพพานเพราะถ้าไม่อยู่ในรู่ทางนี้ก็จะไปไม่ถึงอย่างแน่นอนอการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาเรวาหาปุราเปาริปุเรนติสากกรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปการปติอิจี่ตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติละโสยธาสัพพิติโยวิวัจจัตุสัพพารโควินัสตุ มาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิศะนิจังุทธาปจายโนจตารโอธรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็ เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีก็จะได้ให้ตอบปัญหาที่ถามผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณกนกพรข้อแรก อวิชาคือรากแก้วของทุกทั้งปวงแต่ต้นไม้หนึ่งต้นก็มีรากฝอยมากมายดังนั้นรากฝอยนี้จัดเป็นอวิชาด้วยหรือไม่คะอย่าไปเปรียบเทียบแบบนั้นเลยการอุปมาอุปไมเปรียบเทียบก็ให้รูว่าคำว่ารากก็คือมันเป็นต้นต่อของของสิ่งทั้งหลายนั่นเองอวิชาก็คือความไม่รู้ในพระอริยรรสัจสนี่เอง ไม่รู้ว่าทุกใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากไม่รู้ว่าการดับความทุกข์ใจนี้ดับด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่คืออวิชชาพระพุทธเจ้าจึงต้องปากเปียกปากจีกสอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนากันเพื่อจะได้มาแก้อวิชชาความไม่รู้ถ้ามีทานศีลภาวนาแล้วมันก็จะ กิกเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้พวกเหล่านี้เวลามีความทุกข์ใจเราไม่ได้มาแก้ที่ตัณหาความอยากเรากลับไปทําตามความอยากอยากเที่ยวก็ทุกข์เพราะไม่ได้เที่ยวอยากเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวก็ทุกข์ก็เลยดิ้นไปหาเงินมาเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวพอไปเที่ยวแล้วความทุกข์นั่นก็หายไปเดียเด๋ยวๆแล้วเดี๋ยวความอยากเที่ยวก็กลับมาใหม่ ก็ทุกขึ้นมาใหม่แทนที่จะหยุดความอยากเที่ยวเสียมไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองให้เหนื่อยไม่ต้องไปเที่ยวให้เหนื่อยหยุดความอยากเที่ยวได้มันก็อยู่เป็นสุขสบายวิธีจะหยุดความอยากเที่ยวได้ก็คือต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองนี่คือวิธีกำจัดรากของความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากการไม่รู้วิธีแก้ความทุกข์ ไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรแล้วจะดับมันได้อย่างไรเนี่ยคือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการตัดสรู้พระอริยรรสัจสี่นี่เองไม่มีใครจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเป็นความรู้ที่มันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขามันอยู่ต่อหน้าเราแต่เรามองไม่เห็นต้องคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพอดึงเส้นผมออกปั๊บก็จะเห็นทุกอย่างชัดเจน พระพุทธเจ้าพอบําเพ็ญก็ทรงเห็นว่าความทุกข์ของเรามันอยู่ที่ความอยากนี่หว่ายิ่งทําตามความอยากมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ก็ทําทมากี่ครั้งมันก็ไม่หายทุกข์สัทีก็พิจารณาจนเข้าใจอ๋อของใกล้ตัวนีอ่อยู่ที่ใจเรานี่เองต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากทั้งสามกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตันหา พราะว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็พอตัดความอยากทั้งสามตัวนี้ได้ตัดด้วยความมาักน้อยสันโดษนี่แหละยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรก็พอใจอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องอยากพอตัดได้แล้วมันก็สบายไม่เดือดร้อนมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่เป็นสุข คำถามข้อต่อไปจากคุณซานีข่ขอพระอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดสำหรับคนที่ชีวิตล้มเหลวและกำลังประชดชีวิตด้วยค่ะก็ชีวิตมันล้มได้มันก็ลุกขึ้นมาได้ชีวิตของคนเราส่วนใหญ่มันก็ล้มลุกคุกคานเพราะเราขาดทมของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราอยากจะ ลุกแล้วแบบไม่ล้มเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารีบศึกษาพระธรรมคำสอนเสียต่บัดนี้อย่าไปประชดชีวิตให้เสียเวลาเพราะไม่มีใครเขาสนใจเราหรอกเราจะประชดไปกระโดดตึกตายมันก็เรื่องของเราตายก็อย่างมากก็ทำศพให้เราเท่านั้นเองอย่าไปชับประชดให้เสียเวลารีบมาแก้ปัญหาของเราดีกว่า วิธีแก้ปัญหาที่ทําให้เราไม่ล้มเหลวก็คือศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ารับรองได้ว่าชีวิตจะไม่มีวันล้มเหลวชีวิตจะมีแต่รุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปโดยทายเดียวเท่านั้นเองคําถามต่อไปจากคุณอุเทนเวลานั่งสมาธิ นั่งนานเป็นชั่วโมงแล้วจิตก็ยังไม่รวมแต่มีเวทนาเกิดขึ้นมากเลยใช้อุบายสอนใจว่ากายกับจิตนี้เป็นคนละส่วนถ้ามีแต่กายมันก็เป็นแค่ท่าสี่ก็ไม่มีความเจ็บปวดถ้ามีแต่จิตไม่มีกายก็ไม่มีความเจ็บปวดพอพิจารณาไปสักพักรู้สึกว่ากายกับจิตแยกกัน เวทนาก็หายไปรู้สึกเบาสบายและทรงสมาธิได้นานทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับถูกแล้วควรจะทาบ่อยๆให้มันชำนาญแล้วใช้อุบายนี้เป็นการเจริญสมาธิไปเรียกว่าเป็นการเจริญเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้าเราไม่ถนัดการบริกรรมพุทโธพุทโธเหรือดูลมหายใจเข้าออก ก็นั่งให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาแยกกายออกจากใจแยกเวทนาออกจากใจให้เห็นว่ามันแต่ละอันเป็นคนละอันกันเป็นคนละเรื่องกันกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาใจก็เป็นใจใจเป็นผู้รู้ก็รู้ไปเวทนาแสดงความเจ็บก็ปล่อยให้มันแสดงไปร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟก็ปล่อยให้มันเป็นดินน้ำลมไฟไม่ต้องไปยุ่งกัน พอใจปล่อยปับเวทนาก็หายไปทุกที่เกิดจากความอยากก็หายไปจิตก็เข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้าเป็นจริตนี้ก็ใช้แบบนี้ไปคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามค่ะถ้าเราเจอการกระทำและคำพูดที่ไม่ชอบแล้วจิตใจแกว่ง ทั้งที่ก่อนเจอสติดีพอสมควรสนุกกับการเดินจงกรมเสียด้วยซ้ำไปแล้วพอเจอเหตุการณ์นี้ถึงแม้จะไม่แสดงอาการกับคู่กรณีแต่ในใจมันวันๆอย่างนี้ก็แสดงว่าสอบ ต, ออบตกเพราะกำลังสติอ่อนและไม่มีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบมันผ่านไปแล้วจบไปแล้ว และต่อไปจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้สอบข้อนี้ผ่านคือไม่สนใจการกระทําหรือคาพูดที่ไม่ชอบก็ทำการบ้านเหมือนกับเราซ้อมเล่นละครเราไม่ชอบคาพูดนี้เราก็เอาคาพูดนี้มาท่องอยู่ในใจถ้าก็ด่าเราว่าควาย่เงี้ยเราไม่ชอบเราก็ด่าเราไอ้ควายควายไปเรื่อยๆให้มันชินหูชินใจ แล้วต่อไปเวลาเขาว่ า, าควายเราก็หัวเราะได้มันว่าได้เราก็ว่าตัวเราได้เหมือนกันใช่ไหมทำไปต้องซ้อมไปต้องพยายามเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นเราไม่ชอบความเจ็บเราก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็อยู่กับมันไปให้ได้ซ้อมไปเรื่อยๆต่อไปมันก็อยู่ได้เองใจมันไปต่อต้านมันเลยไม่อยากจะอยากจะเจอความเจ็บ แต่ถ้ามันไม่ต่อต้านความเจ็บมันก็เป็นเหมือนความไม่เจ็บละมันก็เป็นเวทนาคนละด้านกันเท่านั้นเองสุขเวทนาด้านหนึ่งทุกขเวทนาด้านหนึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกันเหมือนกับเสียงที่เราชอบกับเสียงที่เราไม่ชอบมันก็เสียงอันเดียวกัน่ะเสียงชมร้อยเรายิ้มรอยขึ้นสวรรค์พอเสียงด่าก็ลงไปนรกเลยอมันก็เสียงอันเดียวกันออกจากปากของคนเดียวกันเราไปให้ความหมายผิดกันเท่านั้นเอง ไปให้ความหมายว่าดีไม่ดีคารจริงเราต้องอย่าไปให้ความหมายว่ามันดีไม่ดีให้มันให้มันว่ามันเป็นศัก์แต่ว่าเสียงศักดแต่ว่าเวทนาแล้วต่อไปมันก็จะอยู่กับสิ่งต่างๆได้คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามนะคะจะทำอย่างไรให้หยุดคิดแล้วจเจริญสติบริกรรมได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องบริกรรมไปไนดะ อย่าไปคิดถ้าเราบริกรรมมันก็จะคิดไม่ได้หรือถึงแม้มันจะคิดได้ถ้าเราไม่ไปสนใจต่อไปมันก็จะหายไปเราอย่าไปสนใจอย่าไปคิดตามมันพอคิดถึงขนมมันก็ปรุงแต่งไ้เอออันนั้นน่าจะอร่อยอันนี้น่าจะดีใช่เวลามันคิดถึงขนมเราก็บริกรรมพุทโธของเราไปแบบไม่รู้ไม่ชี้ไปมันจะชวนไปกินขนมก็ไม่รู้ไม่ชี้พุทโธของเราไปต่อไปมันก็จะค่อยๆจางหายไปเอง ถ้าพุโทโธของเราเข้มข้นขึ้นแข็งแรงมากขึ้นความคิดต่างๆที่จะแทรกเข้ามาก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะไม่มีความคิดอะไรเข้ามาถ้เาเราต้องพยายามเกาะติดอยู่กับคาบริกรรมของเราถ้าเราใช้การบริกรรมเป็นการเจริญสติคําถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามอาจจะเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าพอมีอะไรกระทบก็จะเศร้าเหงาขึ้นมา คือคงสะสมมานานแล้วพยายามภาวนาถ้าทําบ่อยมากๆอาการจะหายไปหรือไม่หรือควรจะหาหมอทานยาคะถ้าทําใจสงบได้อาการเหล่านี้จะหายไปหมดนะอาการเหล่านี้มันเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้และเวลาไม่ได้ดักไม่ได้ดังใจอยากมันก็เกิดอาการซสื่อมเศร้าผิดหวังขึ้นมา ถ้าเราหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราอยากได้มันก็จะจางหายไปจากใจใจก็จะว่างพอว่างแล้วอารมณ์ต่างๆคือความว้าเหวความซึมเศร้ามันก็จะหายไปฉั้นพยายามจเจริญสติให้มากพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดความซึมเศร้าขึ้นมาแต่อย่าไปอยากให้ได้ผลทันทีทันใด ยิงอยากให้ได้ผลทันทีทันใดมันจะไม่ได้ผลเพราะว่าเราไม่ได้บริกรรมละโม่แต่คิดอยากอยากให้มันได้ผลเราต้องลืมเรื่องผลลืมเรื่องอารมณ์ซึมเศร้ามันจะซึมเศร้าก็ปล่อยมันช่างมันไปผลยังไม่ปรากฏก็ไม่ต้องไปสนใจมันขอให้เราบริกรรมของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองเหมือนกับการรับประทานอาหารอยากไปอยากให้มันอิ่มอยากแล้วมันไม่อิ่มหรอกถ้าไม่รับประทาน ขอให้รับประทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลามันก็อิ่มเองหมดคำถามจากทางบ้านค่ะหลวงพ่อวันนี้คำถามน้อยค่ะคาถามน้อยก็ยังมีเวลาเหลืออยู่จะให้ทำอะไรดีะจะนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงไหมหรือ ว, ว่าจะเอาอยัางไงพราะเราก็พูดแล้วก็เหนื่อย ใครอยากจะกลับบ้านก็กลับใครอยากจะนั่งสมาธิเก้าสักครึ่มมงชั่วโมงวันนี้มีภาคปฏิบัติแถมนิดหน่อยก็ให้มีอะไรกากบับใจไว้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะพิจรารณาทำก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วทาให้ใจสงบได้ก็พิจารณาไป หรือจะท่องอาการ32สองก็ได้ผมขนในฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสุดแท้แต่จะจ ะ, จะถนัดอันใดก็ใช้อันนั้นไป เ, เวลา30นาทีก็ผ่านไปแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นำไปพิพจารณาไปปฏิบัติ เพร่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ